กิจกัรหรือว่าพิธีกัรบางอย่างกลายเป็นพิธีเกิดข่าก็เดต้อนรับพวกเราทุกคนน้องๆ น, นี่แจ้งมาก่อนด้วยว่าไม่ได้แจ้งไม่ได้แจ้งไปหลายวัดปะ <c oughs> มองกันเลยวันนี้เจงหลือมาเยอะแต่มศาลา มันเห็นน้อยก่อนนายจะอดทนก่อนเลนน้อยเล็นน้อยจะปดในวันนี้อาจจะเป็นวันขอ ง, นองคนนอนข้ามแม่ก็ได้19โมงแล้ว <c oughs> นอกจากมันก็มีเพราะที่เรามีแขกต่างประเทศที่มาครับเมื่อนเรามาศึกษามาดูว่าที่บ เราดีหลากหลายสาขาอาชีพนี้วันนี้ประเด็นหลักของเรามไม่ใช่ของเราเนี่กลายเป็นพฤติกรรมเป็นส่วนหนึ่งของพฤติกรรมประเด็นหลักของเรานี่คือวันอะไรวันี้วันหลักวันอะไรไม่ใช่วางค้างเลย ก็ตอบก็อะไอย่าง ถ, าถ้าไปถามเด็กมันก็ตอบปราหลังคาร์ครับมันไม่มีใครผิดใครถูก <c oughs> ก็ตอบถูกคนละประเด็นชีวิตเราก็เป็นอย่างนี้เราจะมีคำตอบไปคอละทิศคนละทางแต่ยังไงก็ต้องมีคําตอบเพราะถ้าชีวิตไม่มีคําตอบมันก็จะมีแต่คําถาม คำถามแล้วก็คือปัญหามันคือปัญหามันคือโจมของชีวิตเราเราจะเห็นว่าปัญหาอะไรอย่างมันยังหาคาตอบไม่ได้มาตัวเรายังหาคาตอบไม่ได้สุดท้ายก็จะบนว่าชีวิตมีแต่ปัญหาก็ใช่เกิดมากี่ปีแล้วจะไม่มีปัญหาเลยเปนไปไม่ได้ วันนี้เป็นวันหนึ่งเป็นตัวอย่างของการสลายปัญหาเป็นตัวอย่างของการหาคบตอบปกชีวิตวันนี้เป็นวันแรกเป็นครั้งแรกที่พระพุเจา้าเรียกว่าแสดงธรรมคือเทศพูดงา่ายๆคือสอนชาวบ้านสอนญาติโยมสอนพระไปเพิ่มาหาองค์ที่สอนทำเป็นฤษีของเ มันเป็นเพราะมัเ ป, มเป็นอุปถาพูดย่ายๆโอคอนั้นนั้นก็เป็นอุปถาโดย ค, ความจริคือคนที่เป็นโมน่านคือท่านโคตัญญาก็เป็นหนึงงนน่งในพราหมณ์ร้อแปดที่อยู่ในรั้วในวางอยู่กับภูริเจ้าแล้วก็เป็นคนที่นมที่สุดเขาออกบทมาทํานายตาทักแล้วว่าจะออกดทํานายไปสองอย่างคือถ้า เป็นคารวาตยาจูเขจะเป็นราชามาสจักรพรรดิแต่ถ้าเอาบวชก็จะเป็นศาสดาเอกของโลกแต่ท่านอนาจาโกเยะเป็นคนเดียวที่ทํานนายว่าออกบวชวิสัตถ์ใจกรุ๊งศรัทธาที่ตามมาอุปถาสี่ห้าง 5. มาดูฤาษีเขาเรีกว่ตนหรือผู้คนตามมาสุดท้า รอมก็คายคองเพลนหลังจากที cool. ่ทรมานทรกกรรมทุกอย่างทุกวิถีทางเกิดเราพูทเจ้าไม่น่าจะตัดสุดุได้แล้วเพราะว่าคายคอมเพลินก็เลยพากันเป็นอยู่ตัวนี้ป่าอิสิปตนะเมลึกกระถ่ายเยาวันเป็นว่าป่าปเทยไพแต่ปเนื้อของพวกฤษีนี่คามพลังจากนักบุญเจ้าก็ทดสอบดลองใช้เวลาอยู่หกปีพอจิในวัยสามสิบห้าปี มันพ ok ุเจ้าของเราประสบความสําเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมในวัย35ปีพวกเราลองลองตั้งดูว่าในวัย35แต่ฝรั่งเราตั้งไว้40แต่พวกเราเอา35เราเอาจากพุทธเจ้ามีอะไรเยอะแยะที่พรทธเจ้าของเราต้องบอกพวกเราสั้นๆนะ พุจ้ามันทำให้ดูอันนี้คือพุธจ้าและพุทธเจ้าของเราทั้งนี้นเกลักษณ์ที่ชัดเจนที่สเป็นตัวตนหรือว่าถ้าเป็นลายมือลายเท้าโดยเป็นลายเซ็นก็คือเป็นคนที่พูดอย่างไรทำอย่างนั้นทำอย่างไรพูดอย่างนั้นนั้นถ้าเราจะเอาอันนี้เอาไปใช้กับตัวเรา ในชื่อตจะมันมันจะได้ประโยชน์พูดอย่างไรทําอย่างนั้นหมายา็ว่าทําให้ก่อนคือพูดพูดอย่างไรทแล้วก็ทําอย่างไรคือทําไปแล้วอย่างไรท่านก็จะพูดพฤติกรรมไงแล้วอันนี้เคยแกว่าชัดเจนแล้วคุณสมบัติของผู้เช่าของเราคนหนึ่งคุมีปัญญาคนแตกฉานในทุกเรื่องในสภาวิชา แต่เราเชื่อวปัญญาคนปัญญาของผู้ที่เจ้ามันไม่ใช่ปัญญาอย่างพวกเราทั้งทางโลกและทางธรรมทางโลกปัญญาของพระองค์เร่มาเรียนมาศิลปะวิทยาทางอะไรเลยสิเปร์ก็สาขาของเราเดินที่ก็สองสามสาขาสาขาเดียวก็ไม่รอดแล้วผู้ใหญ่สิเปร์ไอคือเรื่องของปัญญาที่คุณ สิ่งที่ผูเ้เจ้ามองเห็นสิ่งที่รู้เป็นปัญญาไม่ใช่ปัญญาอย่างพวกเราเป็นแนวกวา้างขอบเขตจักรวาลเป็นแนวลึกพูดง่เป็นแกนะอกเกณฑเกณกลางก็คือเป็นวงกวา้างที่ขอบเขตจักรวาลแนวลึกก็แนวต่างก็แนวสูงอันนี้คือควาปัญญาของพวกมัะไปด้หมดรู้ทอย่าง ปยายามมีคนบริสัทที่คุณก็คือทาความทุกอย่างด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่มีเงนเดือนไม่มีเงนดาวมีค่าตอบแทนเราจะเรียกว่าอะไรก็รแล้วแต่คือไม่มีกำไรคือเป็นผู้ให้หลังจากสามสห้าปีแล้วเติรดยเวลา4ี่สิบห้าปีที่ผมเป็ น, ปน ธ, ธุรกิจลนวัยที่แปดสิบปีท่านก็ยังเดินเพื่อไปโปรดคน นี่อพุทธเจ้าของเรามันคือประการตัวงานที่ผลคือสิ่งที่พระองค์ทำด้วยความจริงใจด้วยความบริสุทใจเพราะนั้นพวกเราลูกคงขอสมาธิเอาเป็นตัวอย่างว่าเราทําอะไรก็ได้หลากหลายสาขาอาชีพที่ทํำด้วยความบริสุทธิ์ใจความจริงใจส่วนอื่นๆที่ผลคอยได้ถือว่าเป็นผลคอยได้เป็นค่าตอบแทนเพื่อการรู้ชีวิตอยู่ได้ จะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่เรื่องเงินเดือนเรียกว่ากาไรเรียกอะไรมันถือว่าเป็นค่าตอบแทนมันไม่ใช่ประเด็นหลักอันที่สองคือสงสารสงสารนอหลังจางที่พระองค์ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตพระองค์รู้ว่าอาดีตปัจจุบันอนาคตเป็นอย่างไรในเนสียงสองรู้ก็เลยเเห็นดูเ ว, วนยศ ก็สงสารเพื่อจะดึงพวกเราขนพวกเราพาพวกเราไปฝั่งหนึ่งซึ่งตอนนี้เรากําลังลอยเท้งเต็งกันงทะเลยท่ากลางมาสมุทรพระก็ พ, กพาพวกเราที่ข้าไปฝั่งอาดเกิดขึ้นหรม่ตอนนี้เรากําลังลอยทเทงเต็งอยู่ท่าก้างเป็นเดี๋ยวก็เป็นเหยื่อของผกากของปลาไม่รู้ เร็วเป็นว่าตายเกินอยู่ในโควาสงสารอย่นี้ดังวันนี้จึงเป็นกรณีศึกษาจึงเป็นตัวอย่างในการดำเนิชีวิตร่วมต้นจากประเจ้าอัคทั้งห้าวันนี้จะเป็นครั้งแรกที่ประองค์นึกถึงคนหลงังจ า, จากตัดสูแล้วว่าสิ่งที่เรารู้นที่แรกก็ท้อทางใจที่ประอง ตัดสูแลส ว, วยมุทิสุขเจ็ดที่เช็แห่งแห่งวันเจ็วันเจ็จดสี้าสี่สิบ้าวันนั่พิจารณาสิ่งเหล่านี้พูดง่ายเกือบสองเดือนว่าสิ่งที่เรารู้สิ่งที่เราเห็นิ่งที่เราเข้าใจเนะี่ยจะไปพูดจะปอธิบายขยายจพอไม่เคยฟังได้มันไม่ง่ายกน็นึงถึงอาจารย์ฟังกันเลกว่าอาจารย์ที่สอน สมบัติแปดคือรูปฌานรูปฌาปนาได้นะี่เพนน่าจะเข้าใจง่ายกว่าเพื่อนคืออาราธนาบรูเตอร์การเริ่มต้นว่าท่านเหล่านั้นก็ไปเกิดใหม่ไปแล้วมันจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่ไปเกิดเป็นอะไรไปนั้วแต่ภาษาเราเนี่ยไงบอตายก็อาจจะเรียกเป็นกลางว่าไปเกิดใหม่สต่จะไปเกิดเป็นอะไรจะเป็นเรื่องหนึง่งก็ไม่ทางแล้ แล้วคนอื่นที่ตามมานั่นถึงใครมองกระยาก็คนที่น่าจะดูเรื่องเข้าใจง่ายเจ้าเียวกับพระคีคือคุณพวกสังหะผู้ฤๅษีที่ดูแลตามมาตลอดสีหติก็าตามหาวัดอยู่ที่ไหนก็ไปที่มาแล้วเดินหลังกนั้นก็เดินไปหาพระชาเดินไปหาคนไม่เหมือนพวกเราทุกวันเนี่ยเดินมาหาวัด สมัยพุยาพูทเดิมไปหาเรื่อความหมายของนาฏิกุลเรื่องความสงสารนี่คือความหมายของพรุ้ธเจามาปเมาปลียยเที่ทางว่าวันนี้เป็นบันทีเป็นเป็นวัรบเป็นผสมป็วันทีเกิดเปิดผสมขึ้นในพุทธศาสนาคือครบตัวในพระรัตนตรัยคบคือพระพุทธพระธรรมพระอริยสม์าว่าผสมครับมีแค่สองรูปทำไมบอกว่าเป็นผสมได้ พระอริยเจ้าองค์เดียวถือเป็นเป็นสมได้นี่พระอริยเจ้าขัสรดาบันขึ้นไปไม่จะเป็นแต่อตกี่สี่องค์ในตัสมบัติเราถวายพระสองสีรูปไปนั้นถ้าถวายสังฆทานจริงๆแล้วถวายองค์เดียวก็ได้สังฆทานถ้าเราเข้าใจแต่ว่าเอภาษาเราเรื่องมันไม่แล้วใจคือนไม่ลงใจจริงๆแล้วถวาย ถ้าทานอันนั้นเพื่อหมูม่คณะเพื่อเป็นส่วนรวมพูดยังไงก็ถือเป็นสังฆทานโดยความหมายเพราะนั้นมันจะเป็นครบเซี่ยวมันจะเรียกสังฆทาน ท, ที่เราเข้าใจกัน น, นี่ีราอ่านเข้าหมายกันทีหลังมันก็ทำความเข้าใจาในเบื้องต้นว่าอะไรก็ได้ที่สบายแล้วมันเป็นส่วนรวมเช่นวันนี้กินข้าวปลาอารมณพอรับอูเดียก็สังฆทาน ตายาปาเพื่อสร้างอุโ<จ>บ <uk> สถถ้าไม่รับโองคเดวก็ถือเป็นสังคท า, านเพราะว่าสิ่งที่เราเอาแล้วเอาไปทําต่อเอาไปใช้ประโยชต่อเป็นสังคท า, านคือเป็นหมู่เป็นคณะเป็นประโยชน์กับสาธารณณะนะนี่คือหมายของสังฆท า, านวันนี้วันนี้เราต้องมาฟังเรามาวันนี้ต้องถามว่าหนึ่งหลงได้อะไรวันนี้ที่เข้ามาวัดวันนี้ เรามาเพื่ออะไมาได้อะไรเพราะว่าถ้าไม่พูดวันนี้วันต่อมาก็ไม่มาคุยแล้ววันนี้ถือโอกาสที่มาต้างความเข้าใจไงบุญต้นในจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของพุทธศาสนาจุดเริต้นของพรุทธเจ้าพระเจ้าของเราหลังจากนี้ไปประมาณเดินมาค่ะถึงสามนาจะเลยมีสาวเพิ่มขึ้นพันสองร้อยห้าสิบชุดในวัน โน่นวันคุ้มพาเดือนหน้าตอนนี้กำลังสร้างแล้วก็ได้เป็นคนแรกห้าคนประสบสําเร็จคนเดียวถ้าพูดง่ายๆก็คือผู้ชาเทศครั้งแรกไระดับพุทธเจ้ามีคนฟังห้าคนไม่ใช่เป็นร้อยอย่างพวกเรานั่งมีคนฟังแค่ห้าคนแล้วที่ประสบความสุเร็จคือหน้าคนคนเดียว แล้วก็ได้บนต้นแค่โสดาบันเรีได้ต่างทำเรียกว่าโสดาบันเป็นบันไดขั้นแรกซึ่งน่าจะเป็นเป้าหมายของพวกเราบ้างว้าผู้เราน่าจะอยมเป้าหมายตัวนั้นได้ทีนี้ทําไมเรายังไม่ถึงเป้าหมายตัวนั้นได้ที น, นี้เราไม่พูดถึงหลักการพูดถึงเพราะว่า ส่วนใหญ่เรารู้เราเข้าใจหมดแล้วว่าวันนี้เป็นวันพระเจ้าพูดอะไรพูดกับใครพูดไ ด, ได้ผลอย่างไรในสิ่งที่พระเจ้าพูดโดูตรออกไปนะใจความโดยสาระสำคัญอะไรเป็นสิ่งที่พวกเรารู้อยู่แล้วทีนี้นเราจะไม่พูดถึงไม่ซ้ําจะพูดแบบภาษาชาวบ้านเราง่ายๆเนี่ยเพราะหลังจากนั้นโบราณาจารย์ นักปราชญ์ผู้มีปัญญาต้องใช้คำอย่างนี้ผู้มีสติปัญญาจริงได้คิดหลักการเหตุผลและวิธีการที่สื่อสารให้พวกเราเข้าใจตรงกันและก น, นำาปสู่การปฏิบัติได้คือการสร้างวัด อันนี้ก็เช่นเดียวกันหลักการเบื้องต้นก็คือพระพุทธเจ้าสร้างคนก่อนอันน้สร้างวัดแต่ทุกวันเราไปมุ่งของพวกนี้มันจนลืมไปจนลืมจิงว่าพ่อเราทำอะไรขออนุญาตเราว่าพ่อเพือพอพอพ่อให้ผู้เราเห็นภาพได้ไง ถ้าเป็นเอายกเอาคเนี้ไว้ในบ้านเราพระ่าตรีไว้ในบ้านพระพุทธเจ้าคือพ่อให้ความสำคัญพอแต่เปรียบเทียกับพ่อเราไม่ได้เพราพ่อเรามันมีสินบ้างมันมีทรัพแต่พปรีที่บไมเห็นันเป็นรูปธรรมพูะจะคือคือพ่อน่าครอบครัวพระธรรคือแม่พ่อกับแม่่ะออกลูกมันผสมคือพวกเราคือลูก นี่เรายมเอาอพระตระนจัยไว้ที่บ้านนี่ตอนนี้เหลือแต่ลกูกแล้วที่เราเมองดีรูกก็ะทำชัดเจนลูกคือพระสมทั้งอริยะมั่งมาอริยะมั่งธรรมดาถ้าไม่อริยะทำตัวไม่ดีก็โดนดา่าเจอเจงไปก็มีเยอะแยะมีทุกวันก็เป็นเรื่องปกติก็คือลูกเนี่ย ลกดีก็มีลูกไม่ดีก็มีเป็นเรื่องธรรมดาของครอบครัวแต่แล้วเขาเขาเป็นอย่างนี้แหละอันนี้คือสาระเพราะนั้นถ้าตอนนี้พ่อต้องดูพ่อเราสอนอะไรแม่เราสอนอะไรพ่อแม่เราไม่อยู่แล้วตอนนี้เหมือนกับเราวันหนึ่งพ่อแม่ไม่อยู่แล้วถ้าใครจะสอนนอเราเจะเอาหลักอะไรมาคิดเป็นแนวยึดแนวปฏิบัติในชีวิตจริงไหมเหมือนตอนนี้ พระก็ไม่อยู่แล้วพุธทธเจ้าราชยึดอะไรเป็นหลักพระลูกคือะสมะส์ในนี้ท่านเน้นถึงพระอริยสมถ์ถ้าเราสังเกตุกันว่าพระจะมีคำหนา้าพระเพราะนั้นคนที่เราครพนร้องตืวิทุทั่วไปอ็จะขึ้นข้างหน้าเขาว่าพร ะ, พระ แม้แต่โดยสมมุติเช่นพระอาชาติอาภัสสรเป็นมีพระนาหน้าคณะขับพูตยาจะมีขับพระเขาอี้พระเขาอี้แสดงในความเครพทีนี้เราพูดถึงว่าปริศนาธรรมอย่างน้นที่พวกเราเป็นขอบเข็ดับควาความเป็นพระที่เรียกว่าเป็นพระเป็นพระยังไง รักกับคนมันต่างกันยันไงก็จะดีแล้วเป็นตัวบอกเป็นตัวแบงบอกจะดีจะดีตั้งบนอะไรจะดีตั้งบนอากาศได้ไหมไม่ได้สิ่งที่ลองรับจะดีคืออะไรแผ่นดิน ขดินเป็นที่รองรับสบรรพสิ่งทั้งหมดในโลกใบ น, นี้ต้านบรรยากาศไม่ได้ถึงอยู่บรอากาศอยู่บนอวกาศยังไงก็ต้องลงดินถ้ากลับมาขดเดินเหมือนพวกเราสุดท้ายก็กลับไปที่ดินเหมือนเดิมเป็นั่งเหมือนกันมอันที่แล้วก็คือดินี่คือพื้นฐานเป็นที่รองรับรับทุกเรื่อง ของโสกโศ ม, มุขโกจนะปสภาวะเขารับได้ทุกเรื่องนี่คือดินนะคือธาตุดินที่เรามีอยู่ธาตุดินในร่างกายของเราเราเหมือนกันที่เรานั่งนั่งนิ่งเป็นธาตุเป็นธ า, าตุดินมันก็เป็นที่รองนะสภาวะทั้งหมดอันนี้คือดินนะสำหรับเ้ จะเกี่ยวอะไรก็สิ่งที่จะพูดต่อไปนี้พริศนธรรมที่ตั้งกล่าวก็คือเวลาตายแล้วคนเราตายนะเขาไปไว้ในไหนรูลหลังเขาไปทำอะไรไว้ถ้าเป็นของราชามาไม่ใชรว่าสถูุกถ้าพ เ, เราก็เจดีถ้าเล็กลงหน่อยธาตุหรือว่ากูทางเหนือหรือว่ากู ไปที่เก็บกรดุมืึ่งอาจจะไม่เคยได้คิดวันนี้ให้พวกเราคิดนิดหนึ่งว่ามันมีความหมายอย่างไร้าเจอเราเห็นใจดีเพืดเด่อนกจยกมือไหว้ก็มารู้ว่าว่าอะไรเรารู้มันว่ า, าอะไรถ้าไม่รู้คือไม่ได้ไหวด้วยปัญญาคือไหว้ด้วยสัตริย์เรียกว่าศรัทธาเรียกว่าสัญญาก็แล้วแต่มันก็เหมือนกับ อันนี้ไม่ได้ดูถูกันนะมันเหมือนกับว่าป้นหินดึงทรายใช่ไหมแต่ถ้าเราว่าด้วยปัญญาว่าจริงๆแล้วมันเป็นสัญลักษณ์อะไรหนึ่งสัญลักษณ์ที่ว่าเจดีย์เป็นที่รองรับเจดีย์ที่รองรับก็คือมันสูงกว่าดินไม่ว่าเจดีย์องเล็กองใหญ่ขนาดไหนก็ตาม พอวางปุ๊บมันจะสูงกว่าดินทันทีเลยนะเพาจะดินต่หน้าต่ำกันไหนก็แล้วแต่ธรรมชาติของเขาจะบอกสูงสูงกว่าดินทันทีนะนดิ น, น, ดนเป็นที่อยู่ของอะไรเป็นที่อยู่ของใครครับตอบอ ง, ง่ายง่ายเป็น อันนี้เราไม่ได้พูดถึงกฎหรือว่าให้เขาต่ำก่อนมันเป็นที่อยู่ของสัตว์ดเดราาัจฉานไม่ใช่คำแรงนะไม่ใช่คำจับคายนะเพราะว่าเขาอยู่กันอย่างนั้นขุดดินอยู่หาอยู่หากินได้แค่นั้นสัพเพสตาสัพพะสัตว์ทั้งหลาย เขา อ, อยู่อย่างนั้นอาจจะมดดินอยู่ได้สาไปบางด้วูว้ถึงแหคือปัจจัยเสีย่ยงขอเราไม่มีอันนี้สิ่งที่ร้อยหน้าภูมิใจว่ความหนึ่ว่าอันนี้คือเขาแตแต่างเพราะนั้นเจีย์ตั้งพรบเมื่อไหร่โอโสงกว่าทันทีเลยที่ตั้งสงกว่าสรรพสัตว์ตั้งหลายที่เข้าใจตรงกันทันทีเลยคือ คุณิสสัมปนของเขาสิ่ห้าที่เรารับไปสินแปดที่เราไปนะตัวเดียวก็ไม่มีอะไรคือนิสสมปันว่าที่เราร่วเราสูงกว่าเขานค่ับเพราะว่านีไงสิ่ห้าเป็นเบื้องต้นแต่ถ้าเราสูงกว่าเขาจริงแต่วิถีชีวิต ก็คือวิธีคิดวิธีพูดวิธีทมไม่ต่างกับเขาเลยคือไม่ได้ออกสินมาใช้เลยสักข้อเลย น, ะนั่นแสดงว่าจิตร่างกายที่จะเรียกว่าคนในขณะนั้นจิตไม่ได้เป็นคนนะเป็นคนไม่ไดนะ้มันเป็นได้แต่ร่างกาย มันไม่ได้เป็นคนที่ได้ต่างชาติมาด้วยวันนี้เขาฟังแล้วไม่รู้เรื่องเดี๋ยวสักครู่ถ้าใครมีของขวัญสำหรับสามกิจแปลเขาหน่อยวันนี้มีเพื่อนร่วมชาติจะเป็นชาวอินโดนีเซียแต่เขาไปทำงานที่ประเทศออสเตรเลียเออมิสเตอร์แซมกับชินชอมิจูเฮนโอเค เขาพยายามที่จะมาศึกษามาตั้งใจไงเดี๋ยวถ้าใครมีความสามารถบริสัน์เกช่วยแปลเขาหน่อยเรื่งจิตอันนี้คือความหมายก็คือถ้าเราเนี่ยพวกเราทุกคนจะรา้คิดได้เข้าใจได้เราเป็นคนนะแต่สีนสักตัวไม่มีเนี่ยเป็นคนไม่ได้นะหมายถึงจิตไม่เกี่ยวกับร่างกายอันนี้ทุกสภาวะ ผู้หญิงผู้ชายสามนาชีพราม์เหมือนกันหมดโดยสภาพถ้าจิตไม่มีสินสักตัวในนี้คือความแตกตา่างทีนี้ยกระดับขึ้น่าหน่อยเป็นเจดีแล้วถคนละคนคือเอาสินห้านั่นแหละเป็นตัวชีวัตวันไหนที่เราไม่สินอาจจะไม่ครบก็ได้ดานหนึ่งข้อสองข้อหรือครบ เขาบางมันบางอันนี้เขาเรียกว่าคนนะท่าจริงเรียกว่าคนนะแต่สินห้าไม่พบก็แปลว่าสูงกว่าเขาละสถานะพฤกษิก็สูงกว่าเขาเหล่า น, นั้นพวกมูบาหพผูไเงี้ยมูมาก ห, มหมมากก็กลาันเมกกื่อคอยก็จะสูงกว่าเขาเพราะพวกเขาเราทำอะไรไ็ได้อันนี้คือคนนะ ก, ก็เริ่มเป็นฐานเป็นส่วนฐานของจจดีที่ใจที่สุด ในโมจีทีถ้ารวม อ, อมนุษยชาติฐานตัว น, นี้คือเริ่มต้นจากามเป็นคนเพราะนั้นฐานที่ใหญ่ที่สุด ข, ของจีดีไม่ว่าจะทรงไหนก็แล้วแต่มันคือฐานก็คือส่วนนี้คือที่เป็นคนเนี่ยเยอะที่สุดเป็นเป็นสนาธรรมบอกพวกเราว่าในส่วนมอจีดีเนี่ยคือส่วนที่เยอะที่สุดในโลก หลังจากฐานเสร็จก็สูงขึ้นมานิดหนึ่งแต่คนก็เป็นมนุษย์มันก็จะเริ่มหวงมันก็เริ่มสั้นลงมนุษย์คือสิ่งห้าบริวณวันไหนเรามีสิงห้าครับบริวณเนี่ยเป็นมนุษย์ทันทีเลยเป็นมนุษย์มนยันะปุดสะแปลกใจสูงสูงกว่าอะไรสูงออกคนสูงกว่าสาัติ นี่คือความหมายที่เรียกว่ามนุษย์แต่ไม่ใช่เป็นมนุษย์ก็เป็นแล้วเป็นเลยนะเป็นมนุษย์อยู่ดีๆเนะี่ยเกิดศีลข้อใดขก็หนึ่งไม่ครบศีลห้าไม่ครบก็ลงมาเป็นคนผ่านถึงสถานะของจิตนั้นี่จนะกระาศเนีงมากพมนน็พร้อมที่จะเป็นคนพร้อมที่จะเป็นสัตว์ได้ทุกเมือ่อทุกขนาดมี่อย่าประมาทนะว่าเราเป็นคนเราเป็นสมณะชีพาม บทไปสิบปียี่สิบปีสามสิบปีไงทองกันบทนอันคือมนุษย์นะมนุษย์เสร็จแล้วสินทรัพย์สิครบบริบูรณ์สูงสุดมนคือพระเพระพระต้อมีสินเยอะหน่อยสินเยอะกว่พวกเราไม่ปรอบระเบียบปฏิบัติอันนี้คือพระถ้าจะเรียกสินอะไรถ้าครบบริบูรณ์อย่างเนี้ พระทั้งเบียวผู้เสผยทีนี้ความเป็นพระเนี่ยมันไม่ใช่รูปร่างแต่ที่เราเข้าใจพระยศมนติอย่างนี้เป็นพระพว้เราก็เป็นพระได้พวกเราทุกคนผู้หญิงผู้ชายเป็นพระได้หมดพวกเราจะเข้าใจเราเป็นพระไม่ได้เป็นพระที่ใจพระจึงไม่มีเพศแต่ส ม, มณะอะไรเอาสัมปะเพศที่เจอสมมติแต่เพศของพระจริงมันไม่มี อันนี้คือพวเราพูดถึงจิตไปแล้วเพราะจิตไม่มีเพศจิตไม่มีตายอันนี้เพศที่มีตายเพราะจิตจึงไม่ตายแล้วก็ไม่มีเพศไปอยู่กับเพศไหนก็เป็นเพศนั้นยึดเอาเพศไหนก็เป็นเพศนั้นยู่กับสัตว์ก็เป็นสัตว์อันนี้คือจิตนะท่ามอันนี้คือประถ้าใครเข้าใจเรื่องจิตของตัวเองยกระดับจิตขึ้นเอง เรือประเสริฐนะคือว่าเป็นพระแต่นี้พระระดับขั้วเป็นพระเริ่มเริ่มต้นจากในบ น, นท่านกฏิั ญ, ญนะเนี้วจะเป็นคนธรรมดาก็าเริ่มโซดาบันไดขั้นที่หนึ่งสองสามสี่จนนูน้นถึงยอดสุดละไม่มีอะไรแล้วห ล, ลังจากนั้นถ้านจะระยกว่าพลขึ้เหนือคือจิตมันเหนือจค่สิ่งเหล่านี้ไปแล้ว คือวางไปสิ่งเหล่านี้ไปแล้ว น, น, น, นั่นก็เจ็บของพ ร, พระอาหารเพราะนั้นมาลอบองเจริญเมื่อไหร่เร า, าไหว้เมื่อไหร่หักปัจจด้วยปัญญาทันทีไม่ใช่ว่าอะไรก็ไม่รู้ไหได้วความเข้าใจทําด้วยความเข้าใจคือไหา้ด้วยปัญญาไม่ได้สุดายเพรนั้นเรามาดูว่าเออเราดูตามความเป็นจริงทุกวันนี้ สิ่งที่มีใต้เจทียคือประเด็นที่อยู่ของสรรพสัตว์ทั้งหลายมีเยอะกว่พวกเรานะเพราะเราขึ้นมาได้อยู่ในระดับคนเป็นทางจติไม่ใช่ง่ายๆนะที่มาเป็นคนอย่างพวกเราหมายความว่าจิตมันดับแล้วจะกลับมาเป็นคนเหมือนพวกเราันไม่ใช่ง่ายๆนะเพราะว่าขณะจิตของเราในขณะ น, นั้นมันเป็นคนไม่ได้สิ่งที่มีสักตัวมันไปไหน มันไปตามภูมิคือชั้นของจิตความฉลาดของจิตพ็อยู่ในระดับนั้นมันก็ไหลไปในระดับนั้นมันพร้อมที่จะเป็นช้างหมาหมูควายหมูหมากาไก่ได้หมดนะอย่าไปคิดเออเป็นคนอยู่ดีๆเรไม่เ็นหรอกเป็นหมูหมากาไก่อย่าประมาทอันนี้คือสิ่งที่เราควรจะไปทำต่อไปต่อยอดอย่าได้เป็นภูมิใจ ว, ว่าเออเราเป็นคน เป็นคนนั้จะเป็นน่อะไรน่าภูมิใจเพราะว่ามีสินบ้างไม่มีสินบ้างแต่ก็ยังดีนะมีคาว่ามีสินอยู่ด้วยดีกว่าไม่มีศินเลยอย่างเช่นวันไหนนึกแล้วนึกไม่ไมออกวันนี้สินห้านี่ยเราข้อไหนมากสุดท้ายคือเป็นร่วงะระมิดทั้งหมดทั้งศินห้านี่ยก็คือวันนั้นไม่ได้เป็นคนละ อันนี้เราไปประเมินตัวเองดูจนจากนี้เป็นต้นไปคือในภรษาอาการนี้เราจะอยู่ในฐานะไหนจะอยู่ในฐานะใต้ใจะดีก็เลือกไดคือไม่ต้องมีเลยสิน้นะสูงขึ้นมาหน่อยอาจจะตามโอกาสปัจจัยอาจจะมีโอกาสรักษาสินบ้างไม่มีสิอันนี้คือคนคนะือคนส่วนใหญ่ แต่ไปแล้วก็คือทักษาศีลเป็นมนุษย์ทันทีนี่ที่เราทำเพราะนั้นโบราณจะได้บอกว่าเรามีพิธีกรรมคือวัดพระทาใจเป็นพระนะเราบอกคุณสมบัติของพระต้องมีศีล น, นะจึงได้รับศีลคุณสมบัติของพระคือต้องมีศีลเพราะฉะนั้นพระที่ดีวัดกันที่ศีลก่อนต้นก่อนไม่ได้วัดกันที่ธรรมเราก็จะผิดเพราะทำวัดกันไม่ได้คือเรานะไปวัดท่านอะไรนะไม่ได้เลย ว่าระดับไหนหนึ่งคือเราคิดอเอาเองจะไปวัดท่านไม่ได้แต่สิ่นงนั้บอกกรอบเป็นระเบียบกฎกติกาเดี๋ยวพุทธบัญญัติพอมองหน้าเช่นพระทุศิลพระละเมิดศิลปนเรารู้นี่ก็คือพระทีท่ดีควรเป็นอย่างนี้นพวกเราก็เช่นเดียวกันเมื่อตนมาพระท่านเริ่มที่ศิลป์เป็นคนดีเราก็ควรจะเริร่มที่ศิลส่วนเรื่องอื่นๆที่เราทํามาทั้งหมดปททานหุ่นจา้างค่าพรืงอะไเป็นเรื่องละเอียดเล็กน้อย เป็นเรื่องของสังคมโลกเป็นเรื่องขงสงคราม อ, อ น, นุเพราะห์เรียกเป็นหลักการสังคมสงเครามซึ่งกันรละันกับทุกคนนะทานมันบอกคําว่ากับจัดความตระหนี่ไม่งั้นมันก็จะได้มาก็เก็บเก็บเก็บก็บหมดไม่แบ่งอะไรเลยไม่ออกอะไรเลยสุดท้ายสิ่งที่เก็บเป็นของเราไหมต่อให้เก็บเป็นร้อยล้านเป็นของเราไหมมันจ ะ, ะนได้ชิ้นต่างไปคิดแตเอ อ, ม, อมันโอออกมั่ง เข้ามั่งมันต้องเข้าออกออกเข้าออกชีวิตเราเป็นอย่างนี้มีการเข้าออกออกตลอดเวลาืคนที่รอตอนนี้กลังรอเอาเข้ากลังขนเข้าไปเดี๋ยวมันก็ออกอี่เรียวมันเข้าแล้วมันต้องออกล้มก็เหมือนกันลมแล้วมันเข้าแล้วมันต้องออกถ้าไม่ออกเดือดร้อนเหมือนเข้าวปลาอาหารเข้าไปแล้วไม่ออกเป็นไงมันเป็นธรรมชาติอันนี้คือธรรมชาติสอนเรา จะปเรามองไม่เห็นมันจึงไม่เกิดปัญญาเราก็ได้แต่สัญญาได้เวลาปลอกินหลังจากกินเสร็จแล้วก็ไม่ไคิดอะไรละล้ลงางจากนั้นตอนนี้ปล่อยออกมาก็ไม่ได้คิดอะไรเวลากินแล้วสุ ข, ขคือสบายสุดเวลาปล่อยโบทุกข์คือลําบากก็ไปปล่อยออกแต่ยังไงเมื่อต้องออกแต่แปลกประหลาดมาศจำที่สุดในโลก เรารู้ว่าอารมณ์ไหนที่มันไม่ดีแต่เราก็จะเอาเข้าไปรู้นะมันไม่ดีนะเป็นอารมณ์ที่ไม่ดีแต่จะเอาเข้าไปในใจอยู่แต่เข้าไปก็ออกไม่ได้ใช่ไ้มไม่เหมือนเข้าประหานเข้าไปเข้าไปแล้วมันออกมาได้แต่อารมณ์เนี่ยอารมณ์ไม่ดีคือของโูดของเน่าของเสือมเหมือนอาหารอาหารนี่เวลาของไม่ดีจริงจริงไม่ใช่แต่ก่อนแค่ของไม่ชอบอาหารเนี่ยไม่ชอบ ยังไม่ใหเข้าไปเลยมันไม่หยิบเข้าปากเลยทีนี้ถ้าเป็นของบูดของเน่ายิ่งหนักเราไม่กินเข้าไปเด็ดขาดแต่แปลกอารมณ์เสียอารมณ์บูดเรกลับเอาเข้าไปเข้าไปแล้วเอาออกไม่ได้นั่นแหคือปัญหาของพวกเรามันกลายเป็นของบูดของเน่าของเสียคืออารมณ์คือแต่อารมณ์เสียอารมณ์บูดรัรกการเอาหนา คือการปฏิบัติคือคการกําจัดสิ่งเหล่านี้ออกจากตัวเราวันละนิดวันละน้อยแต่ถ้าไม่เอาเลยก็เหมือนกับมีแต่ของสิ่งปฏิกูลซึ่งตัวเรามีแต่สิ่งปฏิกูลอยู่แล้วตอนนี้เราแหวกท้องต้องถามคุณหมอหนมันมีคุณหมอมาเยอะเลยรดักอาจารย์หมอหมอผ่าตัดก็มีอันนี้เป็นอะไรไปเป็นลมเป็นแรงเนี่ยท่านเนี่ย น, น้อยเป็นลมเป็นแรงต้งกลัวหมอมาเพียบเลยโรงพยาบานมาเพียบ หนูตามอบอกว่าสมมติวราแหวะท้องให้เราดูหน่อยสิถามว่าข้างในมีอะไรซึ่งเราไม่ค่อยได้คิดแอมไม่ได้คิดเขาเรียกว่าอสุภะพระท่านให้สอนอย่างนี้สอนให้แหวะท้องรือเอ็ดูข้างในมีอะไรตัดแตเส้นพุมีแต่ของไม่ดีต้นนั้นอุจจาระปัสสาวะดูยังไงแต่คนนั้นโชคดีที่มันขับออกโดยธรรมชาติ แต่ถ้าไม่ขับออกเลยว่าไหนถ้าถ้าไม่อึไม่ชีนี่เกิดอะไรขึ้นอเนะมื่อนั่งจะรู้เออเรามีทุกข์แต่ธรรมดาไม่รู้จะออเรามีทุกข์เห็นไหมพันธสิริพระเจ้าสอนคําแรกเลยระยะสดที่คือคํานี้แหละคือคำว่าทุกข์นี่แหละทุกข์มันเป็นผลมันไม่ใช่เหตุในบรรดาถ้าเราเข้าใจหลักการเหตุผลทุกข์คือผล เหตุข้ามันก็คือความอยากเหมนั้นความอยากผลข้ามันก็คือตอนนี้แค่แค่แค่ที่ผลแค่ที่เหตุผู้เชี่ยวบอกแค่ที่เหตุนี่ผลนะเหตุคืออะไรคือตัณหาความอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นอันนี้คือเหคือต้นต่อผู้ชี่ยสอนเราเนี่ยสอนตั้งแต่ต้นจนจบบอกหมด หลักการเหตุผลวิธีการวิธีทางเช่นอันนี้คือผลนะอันนี้คือเหตุนะต่อไปทุกวันนี้รอดเพาะมันจะ ด, ดับยังไงคือวิธีทางแล้วก็หาหนทางหรือวิธีการคือมาคือวิธีดับคือหนทางพูดง่ายๆคือหาทางออกง่ายๆับเราทุกครั้งที่เรามีอุปสรรคปัญหาต้องมองวิธีทางออกถ้าเข้ามาแล้วไม่ออกลําบาก หาทาออกไม่ได้เหมือนสน า, าล้วทํำไปเยอะแยะประตูหน้าตาทางเข้าท้งออกถ้าเข้าแล้วไม่มีทางออกเกิด อ, อะไรขึ้นอันน้นคือปัญหาที่เข้ามาในชีวิตเรามันเข้ามาในชีวิตแล้วไม่สมามารถที่จะหาทางออกเขาได้เพราะถ้าเราแบเก็บเก็บเก็บการบิเก็บกดกดอะไรกดตัวเองกดใจตัง้งอึดาดขัดข้องสุดท้ายแม้แต่ชีวิตก็ไม่อยากอยู่กดสุดท้ายก็คือ ต้องทำร้ายทาลายชีวิตของตัวเองซึ่งทําลายไปแล้วชีวิตอันนั้นหรือว่าจิตน่าจะบอกว่าจิตเรียชีวิตไม่ได้จิตอันนั้นถ้ามันอยู่ในระดับที่ไม่มีสินตัวเลยไม่มีทุนเลยนะนั่นคือไม่มีทุนนะถ้าอยู่ในระดับที่เป็นคนมีสินย่ง อ, ยองเงี้ยก็เริ่มีทุนละ่ะแต่ทุนน้อยแต่เป็นมนุษย์คือสินคลแล้วเออมีทุนเยอะหน่อยที่เป็นเราทุนข้างหน้า ที่ไปเกิดแก่เจ็บตายกันนั่นเอาไปใช้มันทุนไหนแต่ถ้าเป็นพระเอองสมสี่อันนี้ไม่ต้องมะทำอะไรเล ย, เลยหมดภา ร, ระหน้าที่ได้เลยแล้วทั้งชาตินี้ชาติหน้าชาติไหนจะไม่มีภาระอันใดอีกแล้วนะพุทเจอสอเ้สอนเราไม่ใช่สอนธรรมดาสอนจนดับล่างเรามาถึงยอดจนอยู่เหนือสิ่งเหล่านี้ก็อย่าให้พวกเราเข้าใจหลักการในผลเรวิธีการในการดับทุกข์ที่มีอยู่ในจิตใจอของเราที่ พระเจ้าก็คือพ่อพระธรรมก็คือแม่พระสมก็คือรูกเพราะนั้นพ่อเราไม่อยู่แล้วแม่เราไม่อยู่แล้วคือมาถึงรูปธรมป ร, ธรมนามธรรมที่เป็นปรูปธรรมชัดเจนคือแต่ต้องเราสัมผัสได้โตตอบได้ก็เหลือแต่รูปคือประสงฆนี่แหละทีนี้เหลือแต่รูปเราก็ยังไม่ฟังและจะไปฟังใครทีนี้โลกนี้เราจะไปฟังใคร สุดท้ายเขบอกว่าฟังตัวเองเพราะนั้นคนที่ไม่นับถือศาสนาใดๆเลยเริ่มมีเยอะมากขึ้นไม่ใช่น้นอยๆคือไม่นับถือนับถืออะไรนับถือตัวเองซึ่งก็ไม่รมู้ว่าตัวเองคืออะไรตัวเองมตาตรฐานไหมมีอะไรเป็นหลักไม่มีอันตารายไปเรื่องอันตารายเยอะไม่ใช่เยอะธรรมดาเป็นร้อยล้านไม่ใช่น้นอย ก็ฝากพวกเราเพื่อเป็นแนวนึกแนวคิดแนวปฏิบัติในปัญหาการนี้เราจะได้เข้าใจหลักการเในผลและความจริงในชีวิตของเราเราจะรับประโยชน์จะได้รับละจากการเกิดแก่เจ็บแล้วตายแล้วถ้าใครชดดื่นใจจะไม่ตายฟรีจะไม่ตายเปล่าคือจะไม่ไปเมือเปล่าไปดีด้วยสุขคติ ไปดีนะั่งขอให้เราเได้ไปดีนะั่งดูผมพูดมากไปวั น, นี้ก็ไม่นาเดียวว่าแ น, น่นอนกขาบอกกันเด็กของเขาไม่คด้อะไขออนุโมทนาความดีทุกความดีที่เราได้กระทํามาเป็นในะวันนี้อย่างน้อยในวันนี้ก็คือเรามาเอาสัญญาเพื่อให้เกิดปัญญาแน่นอนะทุกวันเราใช้สัญญามาเยอะแล้วจนสัญญาเนี่ยคือความจําได้มารู้พันแข่งพันขาตัวเองหนีด้ดวยคน ตัดการนี้ไปให้เกิดปัญญามั้งแต่ปัญญาก็คือแสงสว่างที่จะขจัดความมืดควา ม, มความไม่เข้าใจความไม่รู้ไม่เห็นในสิ่งเหล่านี้ให้มันมากขึ้นในภาษาการนี้อยู่ที่ไหนก็ได้ความเป็นพระมันจะมาจะเป็นาากกธรรวัตรสินรับที่ไหนเป็นสิลทันทีกายวาจาหยุดเมื่อไหร่เป็นสินทันทีโดยไม่ต้องไปขอจากพระนี่คือสินอัตโนมัติสินพระปฏิปักษ งั้นถ้าร้อนไหนไม่ได้ข อ, อกับพระโอ้ววันนี้ไม่มีสินน ะ, ะ ก, ก็จะกลายเป็นขออ้างไปอย่างนี้คือไม่ต้องรักษาสินแล้วเขาไม่ต้องข อ, อกับอระก็เอาสีข้างเข้าสูบไปอย่างนี้แหละวันนี้สีข้างสำหรับปอบเผยหมดแล้วมากคนก็ข้อมโนธรรความดีผู้หล่ทุกคนวันนี้บอกว่าพว้หล่คงได้สติปัญญาซึ่งเป็นทราานพย์อันประเสริฐติดตัวติดกายติดวิจารติใจสมกับมาวัด คือวัดกายได้วัดปัจจาได้วัดใจได้นั่นคือการเข้าวัดถ้าอยู่ที่ไหนวัดกายได้วัดปัจจาได้วัดใจได้นั่นคือการเข้าวัดแล้วแต่ถ้าเดินเข้ามาวัดกายตัวเองก็วัดไม่ได้ปัจจาร์ก็วัดไม่ได้ใจก็วัดไม่ได้ก็เงินก็นไม่ได้เข้ามาดใครเข้าวัดจริงๆคือวัดกายปัจจาร์ใจตัวเองนี่แหละก็ขออนุโมทนาอีกครั้งหนึ่ง